วันนี้เป็นวันที่สเมษาปีห0ศเมื่อวานเป็นวันที่สามลมแรงมากพายุกระนำวัดของเราเดี๋ยวนี้ต้นไม้อยู่ภายในวัดโค่นทับถนนหนทางระเนระนาดานนแล้วก็ความเสียหายํำรวจเมื่อคืนนียพอฝนมาเมื่อวันห้าโมงกว่าห้าโมงเย็นที่มันถล่มวัดของเรา ดมทั้งชาวบ้านด้วยวนะนี่ชาวบ้านเลยสาราพักร้อนกับหลังคายุกเลยแล้วก็ห้องน้ําในวัดของเราก็กิ่งไม้ลงที่เสียหายก็คงจะเป็นหลังเดียวนะแต่ว่าหลังนี้เราก็คิดอยากจะสร้างใหม่เหมือนกันคิดอยากจะทําใหม่เพราะมันใช้มาตั้งแต่ี่เริ่มสร้างวัดเป็น10บยีปีมาแล้วเป็นห้องน้ําสังกะสีมันคงจะเห็นว่ามันเก่ามาั้งกิ่งไม้เลย หล่นทับจะอันนี้เขาเสียหายมากครั้งเดียวแต่นอกนั้นก็มีแต่กระเบื้องกระเบื้องหลังคาทางในครัวหลวงพ่อไปตำรวจกับพระเมื่อคืนนี้ก็คงจะใช้ประมาณสัก 10- 20แผ่นกระเบื้องตาช้างรอนคู่สีเขียวแต่ที่อื่นพระกับกาลังตารวจอยู่วันนี้ตำรวจความเสียหายหภายในวัดคือภายในวัดของเราเนี่ยโดยมากหลวงพ่อจะเตรียมกระเบื้องมาไว้ประจําหน้านี้แหละหน้าที่พายุใหม่เนี่ย จะเตรียมเข้ามาประมาณสักไม่ต่ำกว่า200อยแผน่นแต่ละปีเพราะว่าเวลามันตกมาค่ําคืนมันตีมันตกถล่มกิ่งไม้ลงตรงที่เสียหายอะไนั้นเถอะอย่างกดังเก็บของอย่างเนี้นมีข้าวสารอาหารแห้งอย่างเนี้นเออบางทีก็มีกุฏิที่เก็บผ้าจีวงจีวรของพระอย่างนี้นถ้ามันถล่มกิ่งไม้ลงมาจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบทําแล้วก็ต้องรีบเอากล้เบื้องมา ซ่อมแซมในขณะนั้นในเดี๋ยวนั้นเพื่อไม่ให้เสียหายเพราะนั้นจึงได้เตรียมกระเบื้องเอาไว้ประจำวัดไว้เหมือนเด่ไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยสองยแผ่นอันนี้ก็คือการเตรียมเตรียมการที่ลราอยู่ในป่าอันนี้ก็วันนี้ก็คงจะให้พระท่านไปสำรวจแล้วคคงจะรีบซ่อมแล้วนแะต่ทางในครัวที่หลวงพ่อไปดูแล้วก็ไม่เสียหายแต่มันถูกมุมๆแต่ก็เสียหายที่มันจะหล่นลงมา อาฝาผนังเหมือนกันแต่เมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อตามปกติหลวงพ่อก็นัดประชมพระที่ว่าเป็นพระนิสิตนักศึกษาจากมหิดลทั้งหมดขอพระทั้งหมด39รูปทั้งพระเก่าพระใหม่ผ่ายโยมผู้ชายมีหทั้งโยมมาพักด้วยทั้งโยมฝรัง่งมีฝรั่งด้วยสองสองคนด้ยนะเรามีพระฝรั่งด้วยด้วยทั้ง4ี่องค์เหมาอนั้นมีโยมฝรั่งมาพักด้วย และกับโยมในครัวโยมผู้หญิงบานสิกาแห่มาปฏิบัติธรรมด้วยสิบสองรวมแล้วทั้งหมด 50, 53าชีวิตวรางั้นลที่พายุถล่มเมื่อวาน5้ชีวิตเพราะนั้นหลวงพ่อขึ้นไปกุฏิกำลังสงน้ำเสร็จโอ้โหมันลุกมาอย่างแรงเลก็คิดว่าคงจะไม่มากมั้งที่ไหนได้ไม้ล้ม้วในระดาดที่กุฏิหลฎงพ่อก็ลงโคตรไปต้นหนึ่ง แต่ก็ไม่อันตรายอันนี้ก็คือพายุฝนที่ผ่านไปพอมันพายุฝนผ่านไปหลวงพ่อก็ลงมาลงมาถามพระว่าเป็นไงหมู่พวกเพื่อนครับไหม <c oughs> โดยมากก็กําลังนัดไปชุมไปชุมท่มหนึ่งโดยมากพร่ใหม่ก็เลยมารวมกันอยู่ที่ใต้ถุนสลาหลวงพ่อก็บอกแต่ทีแรกแล้วว่าวัดของเราเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใต้ถุนสลาแล้วก็ใต้ถุนสะพานอะไต้ถุนสะพาน มันออกมาจริงๆวิ่งไปใต้ทุนสะพานนะไปหลบอยู่ที่นั่นถึงยังไงยังไงก็ไม่อันตรายเพราะว่าใต้ทุนสะพานมันแข็งแรงอยู่แล้วและใต้ทุนชล า, าเนี่ยก็ลมมาใดๆก็ไม่ถึงให้หลบมาอยู่ที่นี่กลางในครัวเลยไปอยู่ที่โรงครัวไปอยู่ที่ทนั่ น, นห้องเก็บของนะตู้น้ําแข็งแถบๆนั้นนะ่ะจะไม่อันตรายเพราะต้นไม้คนจะไม่ถึงนี่แหละลวงพ่อก็ได้บอกทางในครัวด้วย เวลาฝนตกอย่าไปอยู่กุติเพราะอันตรายเพราะมันกิ่งไม้แต่ว่าการปลูกกุติของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้ดูทุกหลังว่ามันรองรับกิ่งไม้มากไหมต้นไม้มันโค้นมามันตรงกับอาคารที่เราจะปลูกไหมก่อนที่จะปลู ก, กต้องดูทิศทางทุกครั้งแต่นี้ถึงจะดูทิศทางอย่างไงพายุฝนอย่างนี้ มันอาจจะหักทางหลังก็ได้มันอาจจะไปโก่งไปทางหน้าแต่พอมันลงกระแทกมามัหงายหลังก็ได้เพราะนั้นจะเอาความเที่ยงแท้แน่นอนกับพายุไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนถ้าตรงไหนที่เราคิดว่ากิ่งไม้มันจะหล่นมาทับเราเราก็ต้องหลบไปก่อนไปหาอยู่ที่ว่างๆโปร่งโล่งเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือที่หลงพ่อบอกพระทุกองค์อันนี้ก็ หลวงพ่อไปสำรวจดูเมื่อคืนในทางในครัวก็กระเบื้องเสียหายบ้างหลายสิบเป็นคงจะเป็น10แผ่นสิบกว่าแผน่นอะยู่มั้งนะและ ก, ก่อนหน้านี้เมื่อพระใหม่เข้ามาหลวงพ่อคือพระใหม่ที่นักศึกษาเข้ามาทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อจะแนะนําเรื่องความปลอดภัยของวัดมีอะไรบ้างภายในวัดของหลวงพ่อให้ระวังอะไรบ้างอันนี้หลวงพ่อก็ได้แนะนํา อันดับแรกก็คือไอ้ชนีที่มันร้องโอ๊กๆเดี๋ยวนีะอย่าไปวิสาสะกับมันนะมันกัดคนได้ถ้าเรามันเห็นมันมาก็อย่าไปวิสาสะกับมันให้ระวังเตรียมแส่เตรียมอะไรขึ้นมาเผยต่อสู้กับมันลักษณะอย่างนั้นแ่ะแต่ก็ไม่ทําอะไรละถ้าเราเตรียมพร้อมจากนั้นก็พวกงูงูงูในวัดก็มีงูทองอ่างงูเห่าก่อนหน้าน่าจะมีเพรากทกวันมมีเยอะแต่ทุกวันให้หมู่ป่ามาก มันก็เลยมันธรรมชาติมันจัดการกันแบบนั้นเถะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรจะว่ายังไงสัตว์ตวโลกหมูมันกินงูเน่ยพูดง่ายงหมูก็เลยอยู่ไม่ได้แบบนั้นเพรหมูเยอะแต่ทั้งที่หมูขึ้นมาเที่เราก็ต้องบอกอีกว่าหมูนี่นะถึงจะไม่อันตรายแต่ก็ให้ระวังเพราะบางทีมันหมูมันมีลูกมันหวงลูกหวงลูกของมันถ้าไปเจอผ้าเข้าผ่านไปให้มันหนีไปซะก่อนเราจึงค่อยเดิน ไม่ใช่ว่าลูกอ่อนๆเขามันมันยังอยู่ในถนนอยู่เราก็เดินผ่านเข้าไปแต่มันหวงลูกของมันอาจจะมาโดดกัดพระก็ได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะให้ระวังจากนั้นก็พวกลิงลิงทั้งหลายอย่าพึ่งจะไปให้อาหารมันถ้าให้อาหารมันมันคุ้นเคยคุ้นเชื่องกับเราผลที่สุดมันจะอันตรายนะกัดคนได้เพราะมันไม่ได้กินมันหิวแต่ถึงเราจะให้เราก็ให้เป็นที่ มันสําปะหลังมังกล้วยบางอะไรบ้างไปเทไว้ให้มันกินอันนั้นคือการให้ให้ของเราไม่ใช่แบให้กับมือไปวิสาสะกับสัตว์ในวัดถ้ามันไม่ได้กินน่ยมันจะกัดพรนะอันตรายมันไม่มีดีเพราะมันเป็นสัตว์เราก็รู้อยู่แนละ้เป็นสัตว์ที่รักฉานามันไม่ได้เข้าโรงเรียนเหมือนเราว่ขนาดพวกเราเข้าโรงเรียนขนาดนี้เหมือนกันยังคุมดีคุมร้าย อันนี้สัตย์ธิาชานเนี่ยพวกเราจะไปวิสัสส์กับมันไม่ได้นะต้องระวังอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็เรื่องพายุหน้าหน้ามีนาเมษาเนี่ยในวัดของหลวงพ่ออันตรายนะลมเวลาลมมาเราทําวิธียังไงหลบยังไงอยู่ยังไงต้องฟังเสียงเสียงอูอ่อมาแสดงว่าลมมาแล้วเราต้องหลบหันผจักหาที่หลบอันนี้หลวงพ่อก็สอนแต่เมื่อวานใน่ั่ อ, อย่างที่ว่าน ก็เห็นผลขึ้นมาแล้วพวกนิสิตนักศึกษาและพวกญาติโยมที่ได้รับการแนะนำจากหลวงพ่อเนี่ยคงจะจำได้ว่าเออหลวงพ่อนี่พูดถูกกว่าลมนี่อันตรายจริงๆเแต่พระฝรั่งเมื่อวานท่านคงไม่เคยไม่เคยเห็นลูกเห็บเคยเห็นแต่พวกอะไรที่เมืองนอกที่อะไรที่เป็น ฟุ่ยฝุยเหมือนกับ น, นั้นน่ะอะท่านไม่เคยเห็นลูกเห็บเหมือนกันท่านก็บอกโอ้โหน้ําแข็งตกมาจากอากาศอน้ําแข็งตกมาจากอากาศ ะ, ะเมืองนอกได้เห็นแต่หิมะหิมะต ก, กนนะ เ, เ, เหมือนกันเป็นฟุ่ยฝุ่ยเนี่งหิมะแต่น้ําแข็งตกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ กับพระนักศึกษาของมันกันบอกโอ่าผมเพิ่งเคยเห็นน้ําแข็งตกมาจากอากาศที่นี่แล้วหลวงพ่อนะเออนั่นแหละไปหลายแห่งมันต้องเห็นหลายอย่างแต่ก็น่ากลัวลมเออนี่ยนะที่หลวงพ่อสอนให้แก่พวกวิสิิทธ์นักศึกษาสรุปแล้วก็คือเป็นความจริงเมื่อนให้ระวังแต่ก็ไม่ให้ไม่ควรจะกลัวอันนี้คือธรรมชาตออิธรรมชาติมันเป็นได้ออทุกอย่างเออ แต่เราก็สอนกันเอาไว้ว่าเวลาพายุมาเวลาพายุถล่มอย่างนี้เราควรทำตัวอย่างไรในขณะนั้นอันนี้ก็คือสอนล่วงหน้าไปก่อนเหมือนกับสินามิอย่างนั้น่ะสีนามิจะมาเนะ่เราจะทำตัวอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันผิดภัยในวัดของเราในขณะนี้ควรจะทำตัวอย่างไรแต่เมื่อมันผ่านแล้วอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายอย่าไปกลัวนะพวกนิสิตหรือพระทุกองค์ อย่าไปคิดว่ามันจะถล่มมาอีกไม่ไม่นะีปีนี้ที่ผ่านๆมาน ม, ามันมีครั้งเดียวเท่านี้แ่ละถ้ามันผ่านครั้งนี้ไปแล้วครั้งต่อไปก็ไม่แรงถึงขนาดนั้นมีอยู่แต่ไม่แรงถึงขนาดนี้ปีหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งที่รุนแรงนะถ้าว่ามีสองสามครั้งแปลว่าปีนั้นผิดปกติว่า ง, งั้นเถอผิดปกติแต่นี่ยังไม่เคยมีนะมีอยู่แต่ไม่แรงเหมือนครั้งแรกหรือครั้งหนึ่งรุนแรงอย่างนี้ละครั้งต่อไปจะไม่ไม่รุนแรง เพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกภ่านนิสิตนักศึกษาเมื่อคืนเนี่าพวกท่านทั้งหลายเปน็นนอนได้สบายเลยไม่มีอีกหรอกในคืนนี้จบแล้วมันผ่านไปแล้วไม่มีหรอกพายุสองซ้อนเข้ามามันไปแล้วก็ไปเลยแหละจบไปนี่ก็คืออย่างที่หลวงพ่อเคยประสบการณ์เคยผ่านมาแล้วก็เคยบอกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ณนะสถานที่ใดทินใดก็ให้สังเกตภูมิประเทศดินฟ้าอากาศ เป็นพิษเป็นภัยอย่างไรกับเราอันนี้ก็ไปอยู่ที่ไหนให้สังเกตอย่างนั้นเลยว่าถามไทยผู้ที่เขามาอยู่ก่อนเป็นอย่างไรหรืออย่างน้อยก็ต้องฟังที่ท่านพูดให้ฟังแล้วฟังว่าจะเป็นพิษภัยอย่างไรเพราะท่านประสบมาแล้วท่านจึงพูดให้ฟังด้วยเจตนาดีเย่างนั้นอันนี้เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าของเราแนะนําสั่งสอนพวกเราเขนาดหลวงพ่อบอกว่าให้ระวังพายุนะ มันก็เป็นพายุอย่างว่าจริงๆน่ากลัวนะหลวงพ่อพูดนะก็น่ากลัวแต่ไม่ถึงกับอันตรายมากนะท่านเรารู้จักรบเลยก็ไม่อันตรายเนละแต่หลวงพ่อบอกคำหนึ่งบอกว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยตายแน่นะไม่มีที่หลบที่หลีกนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ชีวิตของคนเราเนี่ยตายแน่นะไม่มีที่หลบด้วยก่อนที่เรื่องนั้นจะมาถึงเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรนี่อันนี้ให้ฟังเอาไว้นะ ให้พวกเราทุกๆุท่านฟังเอาไว้หลวงพ่อผู้พูดหลวงพ่อก็เตรียมตัวเอาไว้เหมือนกันความแก่ความเจ็บมันไหลเข้ามาเรื่อยๆจนถึงความตายความตายเข้ามาถึงเราจะทําตัวอย่างไรเราจะรับสถานการณ์เมื่อภัยนั้นมาถึงอย่างไร เ, เมื่อพายุฝนเมื่อวานนี้หลวงพ่อก็แนะนําก่อนหน้านี้แล้วว่าควรจะทําตัวอย่างไรแต่พายุคือมรณ ะ, ะภัยเข้ามาถึงหลวงพ่อก็บอกกล่าวแล้วบอกกล่าวอีกว่า เราควรจะทําตัวทําใจอย่างไรกับมรณะภัยนั้นเราควรจะเตรียมตัวอย่างไรพราะพระพุทธเจ้าท่านแนะนําว่าอย่าประมาทอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุนงามความดีเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเมื่อตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปเกิดอีก้เพราะนั้นก่อนที่จะไปเกิดอีกนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญ เก็บหอมรอมลิบเครื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเอาไว้เอย่าไปหลงละเลงอย่าไปลืมตัวอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วกรรมความชั่วที่มันไม่ดีนั่นจะเข้ามาสู่จิตใจของเรามาอยู่ในใจของเราเมื่อใจของเราออกจากร่างนี้แล้วใจของเราจะนําความชั่วนั้นนะไปเกิดในภพที่ต่ำ อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วพาไปเพราะฉะนั้นอที่พระพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์บอกเอาไว้นั้นเป็นความจริง เ, เป็นความจริงไม่เป็นอย่างอื่นอย่างที่หลวงพ่อแนะนําว่าระวังพายุฝนเป็นความจริงไหมน่ากลัวนะแต่ก็ไม่อันตรายถ้าเรารู้จักหลบแต่เรื่องมรณะภัยแล้วหลวงพ่ออันตรายนะไม่มีที่หลบนะทุกคนต้องตายนะ ก็มีทางเดียวที่จะแก้ก็คือให้เก็บหอมลอมริบให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้แต่ถ้าว่าพวกเรามีบุญกุศลในจิตใจแล้วคุณงามความดีในจิตใจแล้วจิตใจของเราอาจฐานน่าเริงเบิกบานมาถึงมรณะภัยมาถึงก็รู้ว่ามรณะภัยมาถึงทุกคนข้าพเจ้าครับได้เพราะข้าพเจ้าได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้แล้ว แต่ข้าพเจ้ากลัวไหมก็กลัวกล้าไหมก็ต่อความตายก็ไม่กล้าแต่กล้าหรือกลัวก็มีคุณค่าเท่ากันข้าพเจ้าคิดได้แล้วคิดดูแล้วกล้าหรือกลัวก็มีคุณค่าเท่าเดิมไม่มีอะไรไม่เป็นประโยชน์ที่จะกล้าหรือจะกลัวในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารู้เท่ารู้ทันพร้อมที่จะน้อมรับทุกอย่างเมื่อโอกาสท่านมาถึงเนี่ยถ้าว่าเราทําใจได้อย่างนั้นใจของเราจะไม่ ไม่ว้าเหวไม่อ้างว้างไม่ซึมเศร้าไม่เสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งจุดนั้นมาถึงเพราะฉะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่าน น, ะนี่แหละภัยในโลกวัฏสงสารมีมากมายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราว่าอย่าประมาทจะตั้งอยู่ในความประมาทให้พยายามหาทางออกที่พระพุทธเจ้าหาทางออกก็คือชำระใจชำระใจที่จะตัวที่จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ไปโน่นไปนี่เป็นนักท่องเที่ยวในวัฏฏะนี่ก็คือใจมันเป็นอย่างไงคนยึงไปเที่ยวมากๆได้อย่างนั้นไปทั่วโลกใต้เพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อพระพุทธเจ้ามันมีเชื้ อ, ม, ม, อมันมีเชื้อพาไปเชื้อคืออะไรคือกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าชาระกิเลสราคะความกําหนัดยินดีความรักความใคร่ต่างๆออกได้ โทษะคือความโมโหโทโสความขุนเคืองในใจออกได้โมหะคือความหลงหลงว่าตัวเองจะไม่ตายตัวเองจะมีความสุขในชีวิตของมนุษย์เป็นความหลงมัวเมาในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างชำละใจของเราให้รู้แจ้งว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นของจีรังถาวรเป็นอนิจจ์ทุกขังเป็นทุกข์ ทุกขังเป็นทุกอนิจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดในสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราก็ปล่อยวางเมื่อจิตใจของเราปล่อยวา ง, จ, จ, ง, าวางจิตใจของไม่ยึดมั่นถือมั่นหลุดพ้นกระเด็นออกจากวงโคโจรของวัตฏะแบบนั้นเลยเข้าไปสู่อวกาศของของธรรมของจิตของธรรมอันนั้นเป็นหลุดออกจากกิเลสกิเลสหลุดออกจากใจอันนั้นเพราะว่าจิตใจที่บริสุทธิ์นี่แหละการชำระใจชำระ ด, ด้วยอย่างไรด้วยมรรค มักขปฏิปทาคือหนทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนมักแปคืออะไรสินสมาธิปัญญาสมาธิติสม า, ส, มาสังกปูวาจากรรมันตัวอิชิวอายุพุทติสมาธิเนี่ยมักแปนี่แหละหนทางที่จะเผาเกิเลสให้หลุดออกจากจิตใจสรุปแล้วคื อ, คอไฟแปดบุ่นงั้นแหละเผากิเลสมันงั้นแหละเมื่อกิเลสหลุดออกไปแล้วนนเนี่ยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะไม่มาพบ แดดพบลมพบฝนอย่างนี้ม้ละนาภัยก็เข้ามาไม่ถึงเพราะงั้นนะนี่แหละหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องภัยของมนุษย์เบื้องต้นนะตั้งแต่พวกเรามาอยู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อได้แนะนําอะไรบ้างที่เป็นพิษภัย่ตั้งแต่ชนีอย่าไปวิสาสะพวกงูพวกห ม, มูป่าพวกสัตว์ป่าทั้งหลายมันไม่ได้เข้าโรงเรียน พวกเราจะไปคุ้นเชื่องกับมันไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ตีระชานให้นะมัดระวังเอาไว้ตลอดถึงพายุความเป็นมาอย่างเมื่อวานะเราพบเห็ุแล้วว่าเป็นยังไงแต่ก็ต้องมไม่ต้องกลัวนะนี้ปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวนะจบแล้วละ่ะจากนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมรณะภยัยหลวงพ่อบอกว่าเตือนไหมนะ่ะภยัยพายุก็เป็นอย่างนั้นแต่มรณะภัยนี่น่ากลัวนะ หลวงพ่อบอกอยางอีกนะมรณะภัยน่ากลัวไม่มีที่หลบหลีกนะมรณะภัยมีแต่ควรเตรียมตัวเอาไว้ว่าควรจะทำอย่างไรควรจะสั่งสมคุณงามความดีอย่างไรที่จะสู้กับมรณะภัยนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นการเตือนกันบอกกล่าวกันในพุทธบริษัทสีของพระพุทธเจ้าในหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นน ะ, นะถ้าตอนนี้ไปรับพรหลวงพ่อจะอนุโมทนาให้พ